พระคุณเจ้าทั้งหลายในวันนี้จะได้บรรยายถึงเรื่องปัมจุเหตุของโลกและปัมจุเหตุของชีวิตคือว่าเมื่อเราได้ทราบถึงข้อเหตุผลเกี่ยวกับปัตถสงสารและเหตุผลกฎแห่งกรรมในหลักพระพุทธศาสนาแล้วปัญหาที่จะติดตามมาก็ได้แก่ปัญหายาธนาการของโลกกับยาธนาการของชีวิตว่าโลกในชีวิตนี้อ่ตามข้อนะ ในพุทธศาสนาถือว่ามีสมุทฐานเหตุมาจากอะไรในประเด็นปัญหานี้เข้าในลักษณะอัพยากระตับปัญหาคือปัญหาที่พ้าบรมศาสด า, าไม่ทรงพยากรเกี่ยวกับปัญหาว่าโลกหน้ามีหรือชีวิตนี้กับชีวิตดวงหน้าเป็นอันเดียวกันหรือสรีระนี้กับสรีระหน้าเป็นสรีระอันเดียวกันหรือปัญหาต่างๆทั้งหมดในข้างพุทธการเอง เคยมีพระบั่งคารหัตบั่งนำมาถูกเป็นปัญหาทูลถามพระพุทธองค์อย่างพระมาลุงกยะได้ตั้งปัญหากระทูถ้า ถ, ถามพระบรมศาสดาพร้อมกับตั้งข้อแมว้ว่าถ้าพระบรมศาสดาไม่เฉลยปัญหาเหล่านี้กับพระมาลุลกยะแล้วพระมาลุนกยะกษ์็จะทูลลาบึกไม่อยู่บวชในพุทธศ า, าสนาต่อไป พระพุธุงได้สัตย์ตอบพระมาลุงกะยะว่าดูก่อนมาลุงกะยะการที่เธอมาบวชเนี่ยปราคัเป็นผู้ขอร้องอ้อนวอนให้เธอมาบวชหรือเปล่าถ้ามาลุงกะยะประทูลบอกว่ากล่าวเมื่อกล่าวแรกคือจะมาแข่ใครบอกคืนกับใครละ่ะเราจะพยากรณ์ถึงเรื่องปัญหาโลกแตกดังที่ตั้งดังที่ท่านตั้งมาถามเหล่านี้จะพยากรณ์ก็ตามไม่พยากรณ์ก็ตามธรรมะเหล่าใด ที่เราแสดงไปแล้วอันบุรุษผู้มีความปรารถนายอย่างจริงใจรับไปปฏิบัติตามก็ย่อมทำให้ถึงที่สุดแห่งคุกได้เพราะฉะนั้นการจะตอบหรือไม่ตอบนั้นะ่ะไม่เป็นสาระสำคัญในพรหมจาร์ของเราเลยการที่ทัวมาตัวของเธอนะ่มาหัวพันยุ่งเหยิงกับปัญหาเหล่านี้จะหนีลักษณะฉายาของมูค บ, บุรุษไปได้อย่างไร คือพระพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสประนามใครอย่างแรงที่สุดก็ตรัสใช้คำ อ, อมูขบุรุษหมายถึงคนเปล่าเปล่าจากสาระคือคุณธรรมและคุณสมบัติโดยประการทางดวงแต่ว่าในที่อื่นอาคตะสฐานแห่งอื่นมังแห่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เองดูที่ไม่มีผู้ใดมาพูนขออย่างเ ม, มหาปริมิพานตูตัพยากรคติของบรรดาอุบาสกอุบาสิกา กับพระอน์นเทระเจ้า ว, ว่าท่านผู้นั้นอุบาสกนั้นอุบาสิกานั้นเมื่อขันแต่ไปแล้วไปเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นเนี่ยขยากอนท่าอย่างนี้ตรัสกับพระอน์นเทระเจ้าว่าที่เราพยากอนอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องเชิดชูกําลังใจให้แก่ปฏิมาชนะตาชนที่ได้รู้ว่าผลของการปฏิบัติธรรมนะ่ะไม่เป็นโมฆะ ได้รับผลประโยชน์ทั้งในพิธีกรรมในสัมปรายะพกจะได้เป็นกําลังใจจะ ไ, ได้เป็นตัวอย่างแบบฉบับสําหรับคนชั้นต่ อ, ตอไปอย่างนี้ทรงปรัสรยาตนเองถ้าเมื่อเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วประหนึ่งว่าพระบรมศาสดานั้นทําอะไรขัดกับพระองค์โดยปริยายประหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงไม่ใค่เค่นนั้นมีข้อที่นาสังเกตว่า คนที่มาตั้งปัญหาอันเป็นอัพยากตาปัญหาหรือเรียกกันเรียกกันว่าปัญหาโลกแปกถ้าตั้งปัญหาเหล่านี้มาถามพระองค์ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างว่าพวกเหล่านี้มีทิฏฐิฝังอยู่ในสันดานแล้วบางคนเป็นสัตตะทิฏฐิบางคนเป็นอุเฉตทิฏฐิฝังแน่นเป็นทิฏฐิประมาตทิฏฐิกระมาตทิฏฐิกระม า, ะมานี่ก็หมายความว่าเป็นทิฏฐิที่แรงแรงมากเป็นทิฏฐิชั้น คณาจารย์พิธีชั้นชาวบ้านธรรมดาที่เป็นฝายมิจฉาพิธีนะ่ะยังไม่แรงอย่างพวกมิจฉาพิธีของบุคคลชั้นคณาจาร์มิจฉาพิธิของบุคคลชั้นคณาจารย์ถึงแม้ว่ารู้ว่าผิดก็มายอมกลับพิฐิอันนั้นยกตัวอย่างเช่นสันชัยเวรัชบุตรทั้งๆั ท, งที่รู้ว่าพระธรรมพระพุทธเจ้ า, จาดีเมื่อสาวกของตัวคือภาษาบุตรกระพระโมคคารนะเมื่อยังเป็นปริพาชคอยู่ในสำแหนักของสันชัย มาชักชวนอาจารย์สันชัยให้ไปฟังธรรมในสำนักพระพุทธองค์ด้วยกันอาจารย์สันชัยไม่ยอมไปกับย่อนถามท่านอุปติจารกับท่นาทนกุิตาทั้งสองท่านว่าคุณในลูกนี่คนณงูมากหรือคนฉลาดมากมึงได้รับคำตอบว่าคุณง่มากกว่าคนฉลาดสันชัยก็บอกว่าดีแล้วคุณฉลาดจะไปหาพระสมณะโคดมคุณงูจะ ม, าา ม, มาหาเราเราได้ประโยชน์จากคนณงูลาส ก, กาลของเราก็มากกว่าเพราะคุณงูมีมากกว่า อย่างนี้ก็จะแสดงเห็นว่าทิฏฐิประมาทของบุคคลชั้นเจ้าหมู่เจ้าคณะนั้นมีรุนแรงถอนได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มีสตสตะทิฏฐิอยู่ในสันดานหรือคนที่มีอุเชตทิฏฐิอยู่ในสันดานหากมาตั้งปัญหาประเภทศอพยากตัปัญหาถามพระพุทธองค์แล้วพาพระองค์ไปมัวตอบปัญหาของโวกเจ้าทิฏฐิเหล่านี้เหนื่อยเปล่าเอกานกล่า ถ้าตอไปแล้วพวกเรานี้ก็ไม่มีทางที่จะกลับอกกลับใจมาเรื่องสายมิหน้ำำําั้มชาตรีชาดชาดีชาไราบางทีจะฟังไมรร่ได้ตับจับเอาไปกระเดียดนึน ก, กว่าพระพุทธเจา้าสนับสนุนพัฒนะของตัวยกตัวอย่างถ้ะหาวพระองค์บอกว่าชาติหน้านี้ตกคุณเราตายแล้วกว็มีปฏิสุนที่จิตปฏิสุนที่วิญ ญ, ญาณไปเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ที่เป็นมีสัตต่างที่ิี่เป็นเจ้าเรือนฟังแล้วก็นึกว่าโอ้โหนี่เขาเนะ็นมณฑปูดูมข ย, ย, ยาตอนสัตว์ต่างที่ถเช่นเดียวกวับเราแล้ว คืแสดงว่ามีไอ้วิญญาณดวงนี้เป็นตัวตั้งตัวตีไปเวียนไหวตายเกิดอยู่นี่นึกอย่างนั้นไม่ได้เฉลี่ยว่าคําบ่าปฏิสุทธิวิญญาณในพุทธศาสนาต่างกับปฏิสนทธิวิญญาณในศาสนาอื่นอย่างไรคือปฏิสุทธิวิญญาณในพุทธศาสนาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นนิจยังแต่ว่าเป็นอนิจจังเกิดดับทุกขณะตรงไปด้วยอํานาจพลังรดำกับพลังปัญหาพลังอุปาทานสามอันเนี้ เพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตในอังคุตระนิกายว่ากรรมเนี่ยเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเนี่ยเป็นยางเหนียวในพืชนั้นสินเนโหตัณหาสินเนโหคือแปลว่ายางเหนียวสินเนหาเนี่ยคือตเสนหานี่แหละแปลว่ายางเหนียวมีกรรมเป็นขืนหนามีวิญญาณเป็นพืชแล้วก็มีตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรักรับ คือวิญญาณลงไัในแปลงนาคือกรรมเมื่อวิญญาณนั้นยังมียางเหนียวอยู่ก็มีการเจริญเติบเจริญเติบกล้าขึ้นมาเมื่อได้รับปัจจัยเช่นแสงแดดอาหารน้ำอันเป็นโอชะมาบำรุงวัตสงสารก็เกิดพัฒนธาในเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาจึงต่างกับพวกศาสนาพิธีเพราเราถือว่าวิญญาณก็เกิดจากกรรมเกิดจากสิเนหะคือยางเหนียวปรุงแต่งกัน เมืสิ่งใดอาศัยปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นก็ไม่มีสภาวะที่เที่ยงในตัวมันเองต่างกับทัศนาวิญ ญ, ญาณในฝ่ายสักติทิฐิที่ถือว่าวิญญาณน่ะเที่ยงวิ ญ, ญญาณดวงนี้ดวงเดียวยืนโรงอยู่เป็นผู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามภพต่างๆเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นคุณที่มีสติ ต, ติทิเป็นเจ้าเรือนอากมาฟังพุทธพยากรณ์แล้วก็จะฟังไมษษ่ได้ตัดจับเอาไปกระเดียด ดีอกดีใจบอกพระสมณะคโคดมพยากรนสัสว์ทิฐิเหมือนกันเราอย่างนี้ป่วยการกล่าวนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งข้าหากว่ามีอุดเฉสทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนอยู่ในขันทสันดานพวกนี้ถ้าต่างปัญหาอพยาตะตะปัญหาทูลถามพระพุทโธเข้าพระพุทโธพาต ร, ารพยากรบอกว่าวิญญาณดวงที่ไปท่องเที่ยว ต, ต่างกับวิญญาณในดวงนี้ วิญไม่ใช่วิญญาณในดวงนี้ไปเกิดในภพหน้าแต่เป็นคนละอันคนละดวงกันถ้าพยากรณ์อย่างนี้พวกที่มีอุทเชตทิฐิเป็นเจ้าเดือนฟังไม่ได้ศัพจไปกระเดียดหรือว่าโอ้พรพุทธมณโอดึงพยากรณ์ก็วิญญาณขาดสูนเพราะตรัสโอดึงนี้ไม่ถึงดวงนั้นขาดสูนแล้วเป็นการสนับสนุส น, นทิฐิของเราพวกเจ้ารัติสองพวกมีความโน้มเอียงไปในทางที่ตัวเชื่ออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่จะมาพยากรอัอพยากต์ปัญหาทั้พวกเราเนี่ยเหนือยเปล่าพระองค์จึงตัดบทเนี้ยไม่พูดพูดไปแล้วก็เหนื่อยแต่ถ้าพวกคนที่เขาตั้งปัญหาเชนิดที่ว่าอยากรู้อยากเห็นตั้งปัญหาด้วยความต้องการอยากรู้อยากเห็นจริงๆมีความสงสัยในเรื่องนี้จริงๆโดยที่ไม่มีสตาทิฐิหรืออุเชทิฐิเป็นเจ้าเรือนแล้วพระพุทธเจ้าตัดพยากรณทุกรายไปเลยทีเดียว ไม่มีเลยที่จะไม่พยากรณ์และนอกบางคั้งก็ไม่ต้องอาศัยใครมาทูลถามพระองค์พยากรณ์พระองค์เองขึ้นมาเฉยๆก็มีวาระเตศต่างๆแล้วก็เล่าเล่าความเป็นไปต่างๆขึ้นมาเองนี่เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเข้าลักษณะว่าวาจาใดแท้แต่ถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะพระองค์ก็จะไม่ตรัสเลยแต่ถ้าวาจาประเทศใดเป็นของแท้ของจริงและมีประโยชน์ด้วยพระองค์จะเป็นผู้ที่รู้กาละที่จะตรัส เพราะฉะนั้นถ้าอขอจริงไมมีประโยชน์จะตรัสขําเรือไม่เอาตรัสไม่รู้ไม่ดูบริษัทไม่ดูบุคคลไม่ถูกทรงเป็นผู้รู้การตัดรู้การที่ควรที่จะตรัส ก, ก็ตรัสถ้าการที่ไม่สมควรจะตรัสข้าองค์ก็ไม่ตรัสนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับลักษนาการของโลกหรือวิวัฒนาการทางชีวิตตามพุทธกติเราก็เราจะเห็นว่าศาสนาพุทธต่างกับศาสนาอื่นศาสนาในโลกนี้น่ะ เมื่อแบ่งกันแล้วก็มีสามสามพวกใหญ่หญคือหนึ่งศาสนาประเภทภ พ, ววพระเทวานิยมพวกหนึง่งสองศาสนาประเภทภเอกเทวานิยมพวกหนึ่งสามศาสนาประเภทอัเทวานิยมพวกหนึ่งมีสามพวกนะครับศาสนาประเภทพระเทวนิยมนั้นได้แก่าศาสนาที่บูชาพระเป็นเจ้าประจําธรรมชาติ มีพระเจ้าฟ้าร้องพระเจ้าฟ้าผ่าพระเจ้าร้อนพระเจ้าหนาวพระเจ้าฝนพระเจ้าอบกุลพระเจ้าแสงแดดพระเจ้าอะไรมากมายตามธรรมชาติปรากฏการณ์ของธรรมชาติอ่าศาสนาองเทวานิยมนี้เป็นศาสนาดึกดำบรรด์ติดมาตั้งแต่มนุษย์เรายังเป็นอนารยชนเป็นคนป่าร่อนเร่อยู่ในท่ามกลางป่าดงธงไทรเป็นศาสนาที่เกิดจากความกลัวของคนจริงๆ พระฉนั้นจริงมีพุทธภาษิตบอกว่าเมื่อมนุษย์ถูกความกลัวคุกคามเขาแล้วก็ยึดเอาป่าเป็นที่พึ่งบาตยึดเอาเจติยะเอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นที่พึ่งบาตรคือแต่ว่าอะไรที่จะให้ใจตัวเข้าไปยึดเหนี่ยวและนึกว่าดับความกลัวได้มนุษย์ก็สแสวงหาเป็นที่พึ่งที่พึ่งอันเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษะเสไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริ่ดแต่ผู้ใดถึงพระตนะไครมีปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี ผูนั้นจึงชื่อว่าจะมีที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอันกเกษมอันประเสริฐเพราะผู้ใดถึงที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เนีมีพุทธภาติสก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกนักวิเคราะห์ทางจิตเขาบอกว่าคนที่นับถือศาสนาอ่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอวิเคราะห์ทางจิตสาว่าถูกนิยมนะเขาบอกว่าคนที่มีศาสนาเนี่ยเพราะคนจิตใจอ่อนแอก็้จริง แต่วาศาสนาที่คนถือประเทศทจิตใจอ่อนแอนไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประเภทที่สาเป็นพวกอัคเทวานิยมไม่มีพระเจ้าไม่มีไม่มีพระเจ้าสร้างโลกพุทธศาสนาเป็นอัคเทวานิยมไม่ได้ให้เกี่ยวกับพระเจ้าองค์ไหนหรือเทวดาองค์ไหนเป็นผู้เกิดสูงสุดไม่ใช่อาแล้วในพุทธศาสนาก็รับด้วยว่าถูกศาสนามีบ่อเกิดมาจากความกลัวนั่นเป็นศาสนาสมัยยุคอนาระยะยุคคนปา่า เมื่อวิทย า, าศาสตร์ยังไม่เจริญมนุษย์ยังไม่รู้จักปรากฏการณ์ที่แท้จริงของธรรมชาติพอเจอแผ่นดินไหวภูกเขาไประเบิดหรือโรครบาดก็นึกว่าจะต้องมีผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือมีผีสางอะไรเป็นผู้โดนบันดาลเป็นผู้สั่งการไม่ใช่งั้นอยู่ดีๆําไมเกิดไฟผ่าเปลี่ยงแปลงลงมาได้อยู่ดีๆทาไมแผ่นดินไม่ไหวึ้นมาได้ต้องมีคนบรรนันดาลนึกอย่างนั้นจากความหมูเขาของคนป่าในยุค ก, กระนดตื่นขึ้นมาตัวก็วอ่อนวอนเส้นสวงบูชาสมมุติให้เป็นพระเจ้า เป็นตัวเป็นตนขึ้นเรียกว่าพระภูเทวนิยมมากมายเทวดามากมายพระเจ้ามากมายสมมุติกันขึ้นเป็นพระเจ้าประจําธรรมชาติการสนาประเทศนี้มนุษย์ในโลกภาพต่างๆเหมือนกันหมดไม่ว่ายุโรปอเมริกาหรือเอเชียเหมือนกันหมดนับถือพระเจ้าประจําธรรมชาติการนับถือพระเจ้าประจำธรรมชาตินั้นบางทีก็พลอยนับถือพวกสัตว์ดิรชัชเป็นพระเจ้าด้วยพอไปเจอสัตว์ดิรชาชที่มีเที่ยวเล็กมากมีความดุร้ายมากๆ ก็เลยสมมติว่ามีวิญญาณที่ดุร้ายสิงสู่อยู่นับถือพวกเสือพวกเจะเทหนักเข้าเลยนับถือหมูหมาแมวเอาผูชายหมูหมาแมวไปด้วยอย่างศาสนาโบราณของพวกอียิปต์นับถือแมวเป็นพระเจ้าก็มีนับถือแมวอย่างพวกฮินดูนับถือคูเป็นพระเจ้าว่าครูนี่อเป็นอาณาของพระอิศวรคือพระนริสวรเศ้าอยู่ประตูเขาไกลา่ล่าเป็นเทวดาอยู่แล้วเวลาพระอิศวรจะขี่ก็แปลงเป็นงัูพระอิศวรขี่ นัถือหัวเป็นพระเจ้าพวกจิ้นเดียวจงไม่กล้าจิ้นเนื้อโคเพราถือว่าโคเป็นเทวดาแปลงนี่แล้วพวกคนป่าบางเผ่านัถือจระเข้เป็นพระเจา้านับถือเสือเป็นพระเจา้านับถือช้างเป็นพระเจา้ามีมากมายนี่เกิดจากความตัวของมนุษย์นี่แหละทั้งนั้นก็ตร้งกัะหลักนักจิตวิเคราะห์ในปัจจุบันนี้แล้วเขาบอกศาสนาเกิดจากคนที่น้ําใจอ่อนแออย่างนี้ต้องจํากัดความหมายว่ายกเว้นผุ้ปศาสนานะ เพราะว่าพุาสนาเนี้ไม่มีลักษณะที่เกิดจากความอ่อนแอหรือเกิดจากความกลัวไม่ใช่อ่านี่เป็นศาสนาประเทศพหุเทาวานิยมต่อมาเมื่อสังคมของมนุษย์เจริญขึ้นสังคมของมนุษย์เนี่ยมีส่วนสะท้อนไปถึงศาสนาประเทศพเ ท, าทาวานิยมด้วยเพราะว่าสมายัยสมัยเด็กนุษย์เราไม่ได้อยู่เป็นประเทศสังคมเป็นสังคมเยลย็กๆเป็นกลุ่มก้อนมีรักมีพ่อบ่านมีพ่อหมู ประจำหมู่ประจำคณนะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแบ่สมบูรณ า, ายาติกราดก็ยังไม่เกิดเพราะประเทศยังไม่เกิดเป็นหมู่หมู่อยู่กันในหมู่หมู่พระเจ้าก็มีมากไปตามหมู่พระเจ้าก็มีมากไปตามหมู่บางหมู่ก็นับถือช้างบางหมู่ก็นับถือเสือบางหมู่ก็นับถือดวงดาวบางหมู่ก็นับถือห้าอาทิตย์แล้วแต่เพราะฉะนั้นลักษณะของเทวานิยมก็สมคลายไปกับลักษณะสังคมในยุคโบราณของมนุษย์เมื่อแยกกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ ต่อมาเมื่อโลกวิวัฒนาการเจริญขึ้นเกิดมีประเทศเป็นรากเป็นฐานเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาเป็นหลักฐานแล้วลักษณะของความแตกเป็นหมู่เป็นคณะก็หมดไปกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ๆตั้งขึ้นเป็นประเทศก็มีพระเจ้าแผ่นดินเกิดขึ้นเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นท่อเมืองไม่ใช่ท่อหมูอาณาธนาก็เปลี่ยนไปตามการนิยมคือว่าเมื่อมนุษย์ก็คือเทวดาพระเจ้ามากๆาองค์ ก็มาตั้งปัญหาว่าเอพระเจ้าเหล่านี้มีมากมกครับเวลามีภัยมาปรากฏกับเราแล้วเราจะอ่อนวอนองไหนจะได้มีฤทธิ์เดชมาคุ้มครองเรานักเข้าก็ไม่รู้จะอ่อนวอนองไหนดีเพราะต่างคนต่างก็ปัดปิดครังดยวกันทั้งนั้นความรู้สึกของมนุษย์กันนิดกว่าจะต้องในหมู่พระเจ้ า, าจนนแล้วก็คงจะเหมือนคนเลยนะคือจะต้องมีประธานของพระเจ้ามาสักองค์หนึ่งเป็นเทวาีเทพมังคับบัญชาบรรดาเทวาดาบริวารเหล่านี้เหมือนอย่างมนุษย์เรามีพระเจ้าแผ่นดิน เพราะฉะนั้นก็เลยสมมติสมมติให้มีเทวาิเทพองคหนึ่งเป็นประธานพระเจ้าเกิดาศาสนาประเทศเอากาเทวะนิยมขึ้นเมื่อเกิดประธานพระเจ้ า, าแล้วไอ้การนี้จะไปเอาเอกเอาใจพวกตินลงตินสารก็หมดไปไม่จําเป็นเอามาอ้อนวอนเอาใจโอ้หน้าคนเดี้ยก็พอแล้วมันจะไม่ต้องไปอ้อนวอนพวกตีนลุงตินสารหรอกหนักๆเข้าก็ตัดพระเจ้าปรีกีรีย์ย่อยๆพระเจ้ า, าเป็นเจล็ดค่อยๆหายเข้าลุงไปทีละองค์ท้งองค์หมดไปหรือแต่ พระบิดาของโลกองค์หนึ่งตามความเข้าใจของคนโบราณในยุค น, นั้นท่านผู้นั้นคือพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้รังสรรคความเป็นไปต่างๆในฟ้ า, ากลมจักรวาลเป็นศาสนาเอกเทวะนิยมค่อยๆพัฒนามาจากศาสนาพระภูเทวะนิยมนี่เป็นลักษณะพัฒนาการของศาสนาหาเป็นเอกเทวะนิยมเลแล้วเพราะด้วลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์เป็ผู้สร้างพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าสร้างมนุษย์ และมนุษย์ที่สร้างพระเจ้ า, านั่นเป็นมนุษย์สมัยยุคอนาระยะที่ยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์ที่แท้จริงของธรรมชาติสร้างพระเจ้ า, าจากความกลัวของตัวเองขึ้นมาแล้วตัวเองก็อ่อนวอนบูชาในสิ่งที่ตัวสร้างขึ้นนีเ่เป็นสมัยพัฒนาการของศาสนาจากเทวะนิยมเป็นเอกเทวนิยมต่อมาเมื่อปัญญาของมนุษย์เฉลียวฉลาดขึ้นรู้ข้อเทอ็จข้อจริงในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากขึ้นมนุษย์ก็เลิกที่จะบูช า, า, ชาพระเจ้าภายนอก หันมาขบคิดปัญหาชีวิตภายในว่าตัวเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนอันนี้ความคิดเห็นของมนุษย์ในยุคนี้ทําให้เกิดวัดประชญาเมธีต่างๆทําให้เกิดการคิดที่จะสร้างระบบทำลดระดับชีวิตระดับจิตใจให้พ้นจากข่วงทุกข์ข่วงกิเลสลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นในาศาสนาปันดาวูเจ้าลัทธิในาศาสนาครามเกิดประชยาอุปนิสัทธ พระเจ้าอุปนิสัต์ได้สร้างเรื่องอาตมันหรือวิญญาณฝากนขึ้นเพราะฉนั้นลักษณะนี้วัฒนาการจากวัตถุมาเป็นจิตใจพระเจ้าก็เป็นวัตถุของภายนอกเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างเรามีโลกมีโกฎมีหลงเหมือนอย่างมนุษย์คือมนุษย์สร้างพระเจ้าจากจินตนาการของตัวเองมนุษย์อยากจะให้คนเอาใจมนุษย์ก็นึกว่าพระเจ้าต้องการคนเอาใจให้มาจุดมาแจงพระเจ้า มนุษย์รู้ตัวเองว่าเวลาใครทาขัดใจตัวตัวโกรธก็นู้ตัวพระเจ้าต้องโกถ้าไปทําขัดใจพระองค์ต้องคอยเอาใจพระเจา้านี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เป็นผลจากมนุษย์เสกฝันขึ้นต่อมาเมื่อมนุษย์มีปัญญาฉลียวฉลาดเลิกบูชาสิ่งภายนอกเห็นว่าแท้จริงน่ะเราจะเป็นบูชาอ้อนวอนสักกี่มากน้อยความทุกข์ก็ไม่หมดความทุกข์ใชีวิตก็ไม่หมดอย่าเลยมาค้นหาความจริงในภายในยดีกว่าว่าตัวเรานี่เป็นใครมาจะมาแต่ไหนไอ การที่ต้องการจะคบปัญหาว่าตัวเราเป็นใครมาแต่ไหนเนี่ยจึงได้เกิดปรัชญาชนิดที่ว่าอาตมันหรือปรัชญาประเภทนิยมอัตตาขึ้นมาคือขบไปขบมาก็เห็นว่าตัวเราที่จริงไม่ใช่ตัวตัวนี้ตัวเราที่จริงไอ้ตัวตัวนี้เป็นเพียงแต่เรือนร่างตัวเราที่จริงอ่ะเป็นเจ้าของเรือนร่างอันนี้เป็นผู้อาศัยร่างมันขับปัญชาเรือนร่างอันนี้ตัวเราอันนี้อ่ะจะต้องไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่สูญเป็นผู้ไปท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ เพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาพราณาการมาถึงยุคที่สามคือยุคที่มาค้นหาความจริงภายในจึงได้เกิดลัทธิปรชัชญาประเภทปตัตตพิธิที่ถืออาตมันหรือวิญญาณสาคุเป็นประทัดฐานแล้ววิญญาณสาคุหรืออาตมันนี่อก็เรียกกันว่าเป็นธมบ้างเป็นปรมาตมันบ้างหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็อะจิตฝาคุณบ้างอะไรต่างๆอย่างแม้ในทางตะวันตกก็เหมือนตะวันออก ตะวันตกอย่างปรายาของสปิโนซ่าอย่างนี้สปิโนซ่าก็ถือว่ามีวิญิวิเวอร์ซีลไมค์คือจิตที่เป็นจิตสาสนเป็นที่รวมของจิตต่างๆาลูกความเป็นไปของโลกนะ่ะรังสิตออกมาจากยวิเวอร์เซีลไมค์อันนี้คือจิตสาสนอันนี้อ่ะกระพริบแบ่งแยกออกมาอันนี้เราจะเห็นว่าค่อยๆเจริญขึ้นมาระดับนี้มนุษย์โลกมือเฉยอภินิหารพระเจ้าภ า, ายนอกแล้วหรือกว่าตัวเรานี่คือพระเจ้าคือภูมิอาห์มธรรมนี้ ตัทวมัมปสินี่เป็นหัวใจในปรัชญาฮินดูครับปรัชญาศาสนาพรามที่เป็นชั้นอันติเมตชั้นฝูงสุขชั้นลลกุตระของเ้าน่ะเขามีคําคําขวัญประจําปรัชญาในอุปนิสต์เพราะว่าอ้ามธรรมสมิตัวเรานี่เป็นคมตัทวมัมปสิแม่สูงก็เช่นเดียวกันถ้าอย่างพูดกันอย่างง่ายง่ายมว่ะเออม่ต้องไปรู้ชาพระเจ้าภายนอกหรอกพระเจ้าสร้างโลกภายนอ ก, เ, าานอกเกย์ตรงนั้นนะ่ะลวงข้าเลยนะคือพระเจ้า คืออตาตาเนี่เป็นตัวพระเจ้าแม้แต่ตัวท่านก็มีพระเจ้าในตัวท่านเองคืออัตมาี่แทของท่านก็เป็นพระเจ้าศาปัญหาที่ัฒนาการมาถึงขั้นนี้ก็คือเอาตัวตนของตัวเองเป็นพระเจ้าอัตาอัตาาาอามาติแอเป็นพระเจ้าโจนอาตมันเป็นพระเจ้าเป็นคมนี่นี่เป็นจุดสูงสุดในาศาสนาประเภทที่พัฒนาการมาเพราะปัญญาของมนุษย์ฉลาดขึ้นอีกยุคหนึ่งคือมาในสมัยที่ พุทธศาสนาอุบัติขึ้นแล้วพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ถืออเทวะนิยมไม่ให้ไม่ให้ความสำคัญแก่พระเจ้าหรือก๊อตเลยนี่เป็นลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นในถ้มกลางบรรดาเจ้าหมู่เจ้าคณะที่กําลังคิดว่าตัวตนหนึ่งไวเจ้าแล้วก็ในอินเดียแล้วก็ทราบแล้วว่าศาสนาพราหมณ์น่ะเป็นศาสนาถ้าจะเรียกแล้วก็เป็นศาสนาจับชายคือเขาจะเปรียบเป็น ห้า ง, งค้าสินค้าก็มีสินค้าหลายประเภทตั้งแต่บุ้มจีไม่กว่าที่นอนนอนมุ้งกระทั่งโทรทัศจําหน่ายสาหรับให้คนที่ต้องการสินค้าประเภทไหนหยิบไปในศาสนาพราหมณ์นะครับผู้ ท, ที่มีปัญญาสูงหน่อยก็นับถือพระเจ้าในตูงตัวเองคืออัตตาของตัวเป็นเป็นพระเจ้าผู้ ท, ที่งูลงมาก็นับถือพระเจ้าภายนอกเป็นตัวเป็นตนเป็ น, ปนมีสี่มือแปดมืออะไรต่างๆเป็นนารายณ์ที่ว่าไปผู้ ท, ที่ต่ํายิ่งกว่านั้นก็นับถือพระเจ้าประเภทดีรฉานไป สวัดีเดชานไหวงูไหวลิงไหวข้างไหวลิงก็ไหวไม่ฮาลุมานเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไหวลิงไหวข้างกว่านี่ต่าไปกว่านั้นที่ต่ำลงยิ่งกว่านั้นก็บูชาศีวลึงค์บางบูชาศีวลึงเครื่องเทศของมนุษย์นี่ต่ำลงไปยิ่งกว่บูชาดเดชานนี่ค่อยๆต่าลงมาศาสนาพราหมีหมดผมถึงบอกเปรียบเหมือนกับอ้างสรรพสินค้าสโตมีสินค้าสารพัดเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางศาสนาที่มี ผลิตทั้งสูงทั้งต่ำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นจึงเท่ากับว่าได้เปรียบยิ่งกว่าทุกศาสนาในโลกนี่ได้เปรียบมากได้เปรียบกว่าทุกศาสนาศาสน้าอื่นๆ น, น่ะไ ป, ปะเกิดในพระพุทธเจ้าเรานะ่ะเกิดในหมู่คนฉลาดนะการที่พ ร, ระองค์ผลิตสถานทุกศาสนาเนี่ยถ้าไม่ดีจริงแล้วก็ตั้งไม่ได้เขาตีเจ๊งไปหมดนี่ถ้าไม่ดีจริงนะอ่ะไม่เหมือนกับศาสดาบางท่านไปเกิดในทะเลทรายบางไปเกิดใน บ้น่บ น, บนเล็กเมืองดอนในทีทีอาริยธรรมไม่จเจริญจะพูดรายคุณก็เชื่อกันง่ายๆแต่การที่พระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียในข้างกันนั้นน่ะไม่ใช่พูดอะไรคุณจะเชื่อง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีหลักข้อพิสูจน์ดีจริงที่ทนต่อการพิสูจน์แล้วอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าตั้งสาสนาขึ้นจึงไม่ใช่มีสมุทฐานมาจากความกลัวไม่ใช่ เป็นศาสนาเดียวที่ไม่ได้ตั้งขึ้นจากความกลัวหรือความอ่อนแอในทางจิตใจของมนุษย์เพราอย่างนั้นพุทธศาสนาเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุจำนองที่ปรารถนาแสวงหาความจริงเกิดจากเหตุจำนองที่ต้องการแสวงหาความ้นทุกข์ไม่ใช่เกิดจากความกลัวเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนใกลัวทุกข์นะแต่สอนให้รู้กําหนดรู้ทุกข์อ่ถ้าเราเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนไม่คนกลัวทุกข์เกลื่ก็่อมเราต้องข่าวตัวตายกันแล้ว ทุกตัวไม่ได้ต้องกําหนดรู้เพราะฉะนั้นทุกคาเริยสัตว์น่ะจึงอยู่ในข้อที่เรียกว่าปริญญาปรพกิจในกิจเนีริยสัตว์นี่น่ะเรายกได้ทีเดียวใครมาเก่าฮะตั้งข้อประการป ร, ปรนามพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่ก็เหมือนศาสนาอื่นๆเกิดจากความกลัวอ่อนแอของคนเราไม่จริงอะธรรมะในข้อทุกคาริยสัตว์น่ะถ้าองค์ตัดสบอว่าป ร, ริญญาตรพกิจต้องเข้าไปกำหนดรู้ไมิได้อนใหกลัวไม่ได้สอนใหหนี ไมไดสนอนให้กลัวทุกสอนให้หนีทุกสาสอนให้กำหนดทูทุกอ่าให้สิ่งที่ทรงสอนให้ให้ใหนีน่นะคือตัณหาต่างหากละ่ะอันเป็นสมุทัยอริยสัจ ต, ต้องมหานะตประเกตต้องเข้าไปตัดน่ะแล้วเพราะฉะนั้นคนที่นับถือพุทธศาสนาและเกิดจิตใจอ่อนแอนนะเป็นด้วยความเข้าใจผิดของคนนั้นเองที่เข้าเข้ามาถึงแก่นในพุทธศาสนาศาสนาพุทธจิงเป็นศาสนาดีในโลกที่ไม่ได้เกิดจากความกลัว แต่เกิดจากความต้องการแสวงหาความจริงในชีวิตเกิดจากความต้องการจะแก้ปมเรื่องทุกข์ของมนุษย์ให้แตกหักออกไปหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเกิดจากน้ําใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการที่ต้องการต่อสู้กับความทุกข์ไม่ใช่นี้ทุกขอันนี้สําคัญนะครับท่านต้องย้ําให้ดีพ่อมีคุณเตือนตีพุทธศาสนาว่าปเป็นพวกแคสติมิตมองโลกในแง่ร้า ย, ายมวัวแต่ซ้องกันทุกทุกๆ ก, ก, กไม่ต้องทําอะไรกันละ เห็นทุกสิ่งเป็นทุกหมดอย่างนี้ใจคออ่อนเยวหมดเราต้องแกะเขาบอกอย่างนั้นท่านกเข้าใจผิดแล้วธรรมะผู้ติเจ้าไม่สอนให้ทุกนะสอนให้สู่ก็ทุกขอสอนให้หนี้ทุกก็พอพระพุทธเจ้ากอบตรู้แล้วไม่ต้องมาสอนคนแล้วพิงบ้านทิงช่องยังในป่าผ่าอะหันตอบตรู้แล้วก็เข้าป่าเขารูเขารองรีบอนุปาทิเสสานิพานไม่ต้องมาทรมานทรการ์ชีวิตทำประโยชน์ให้กัโลกพุทธศากสนาสอนให้สู้หน้ากับทุกคือสู้หน้ากวามจริงไม่ใช่หนีคว่าจริง ทุกในวความจริงเนี่ยเป็นอริยสัตว์เนี่ยไ อ, ไอ้ผู้นั่งในความจริงให้รับลูกใครรับลูกในความจริงอันนั้นไอ้สิ่งที่เราจะจะถอนจะละานี่ยปัญหาต่างไม่ใช่ตัวทุกแม่เราต้องรู้จักอธิบายสําหรับแก่คนที่ยังหลงผิดเข้าใจาพุทธศาสนาผิดผิดอยูเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนามันได้เกิดจากสมุทฐานของความกลัวไม่ได้เกิดจากสมุทฐานความอ่อนแอเช่นนี้รูปกระทัดในพุทธศาสนาจึงแตกต่างกับรูกระทัด ในศาสนาอื่นๆทั้งหมดศาสนาที่เป็นฝ่ายอาเวยิวัตนิยมในโลกนี้มีเพียงสองศาสนาคือพุทธกับศาสนาเชนศาสนาเชนก็เป็นศาสนาที่เกิดในอินเดียเหมือนกันศาสนาเชนซึ่งตั้งโดยมหาวีระเจา้าลัทธิที่มีชีวิตร่วมพุทธสมัยเป็นเชื้อสากษัตริย์เมืองเวสาลีมหาวีระหรืออีกในหนึ่งคือ น, ค น, นิโครนาตบุตรนิโคนาตะบุตรนครูต้อนะงหกครูคนหนึ่งในในครูหกคนนะ น, ค น, นิโคนาตะบุตรเนี่ย ศาสนาเชนก็เป็นศาสนาที่อยู่ในประเภทอเทวะนิยมไม่มีพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธการสร้างโลกจากพระเจ้าถือว่าโลกเกิดจากกรรมเป็นผู้สางเหมือนพุทธศาสนาแต่พุทธกับเชนนะ่ะไม่จะตรงกันในข้อนี้แต่ไปเลี่ยงกันในใน ว, วิธีปฏิบัติคือเชนเป็นฝ่ายถืออัตตะกิลมัฐานโยคให้ทรมานตัวให้แตกเผ็ดอย่างสาหัสเมื่อบังเพงตะบะถึงขัน้นสุดท้าย ใครอดข้าวจนตายตลอดชีวิตถือว่าหลุดพ้นจา ก, กว่าข้าวนิพพานอดข้าวจนตายไม่อาจสกิลมาทางโยกอย่างสาหัสพระพุทธเจ้าท่านเลือกเดินทางสายกลางนี่ต่างกับเชนตรงนี้ต่างกับกรงนีในในใน้ในทางปฏิบัตินะฮะในทางทฤษฎีเชนรับรองมีอาจประมาณหรืออัตตาแต่พุทธปฏิเสธอัตตาเนี่เพราะนั้นพุทธกับตาอคณกับตาสนาเชน่ะตรึงกันในข้อที่ว่าเป็นอะเทวานิยมเหมือนกัน ปฏิเศธพระเจ้าผู้สร้างโลกเหมือนกันถือว่ากรรมเป็นผู้พึงโลกสร้างโลกเหมือนกันแต่ต่างกันที่หนึ่เชนถือว่ามีอัตตาอัตตาเที่ยงพุทธถืออนัตตาเชนบอกว่าทํา อ, าอัตจะอิรมาานุโยคดี ท, ทําแล้หลุดพ้นทุกข์พุทธบอกว่าไม่ดีต้องเดินมชิมะปฏิปทาต่างกันตรงนี้สองศาสนานี้ตอนนั้นเชนเวลานี้นะ่ะมีคนนับถือราวไม่เกินติดล้านคนในอินเดียแล้วก็เป็นศาสนาที่ไม่เคยแพร่หลายออกนอกอินเดียเลย เพาเป็นศาสนาที่รุนแรงเกินไปในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถที่จะแพร่หลายไปในต่างประเทศได้หาคุณต้ถือไดี ย, ยา์เป็นศาสนาผู้ชีพเรื่ อ, อะผู้นี้คร น, นอ่ะอ่ะคราวนี้ลูกคทัดในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องพระเจา้าเรื่องเวิทยนาการหรือสมุธานของชีวิตว่ามีมาจากอะไรเราก็แตกต่างกับลู่กระทัดในศาสนาอื่นคือลู่กรทัดในศาสนาอื่นน่ะมักจะตั้งปัญหาถามบอกว่า ตัวเรามาจากไหนโลกมาแต่ไหนเขาตปัญหาถามนี้ก่อว่าโลกมาแต่ไหนแล้ววิญญาณเรามาแต่ไหนล่ะการตอบปัญหาเหล่านี้ก็พุ่งไปในทางที่ว่าโลกมาจากพระเจ้าผู้สร้างเพราะมนุษย์ราอักอั้นปันอูราก็ต้องยยนตัวไปพระเจ้าประพฤติภือเป็นผู้รับผิดชอบเป็นดีที่สุดโลกมีมาจากพระเจ้าผู้สร้างตัวเราล่ะก็พระเจ้าเป็นผู้สรววิญญาณเรามาไงล่ะนี่เป็นการตอบอย่างกำปั้นทุกทกดินของโคตร ท, ทีนับถือ ขึคน ต, ตั้งปัญหาว่าทุกนี้มาแต่ไหนจะดับทุกในวิธีประการใดนี่ต่างกระทาสมาอื่นแล้วจากนั้นตั้งปัญหาถามบอกว่ า, วาลูกนี้มาแต่ไหนวิญญาณนี้ไปจักใครใครผู้สร้างวิญญาณเนี่ยปัญหาเพ่งออกนอกตัวออกไปทั้างนอกแต่พุทเราเพ่งเข้าข้างในเพราะว่าทุกนี้มาแต่ไหนถามตั้งปัญหาถามบอกว่าทุกนี้มาแต่ไหนจะดับทุกในวิธีประการใดนี่ เมื่อประด็นอันเป็นสมมูลฐานบอกเกิดศาสนาแตกต่างกันอย่างนี้คำตอบหรือคาเฉลยไม่ปัญหาสองประการนี้จึงแตกต่างไปอย่างซ้ายข้างหนขวาข้างหนึ่งทีเดียวศาสนาโลกทที่มีเทวานิยมก็ต้องพูดวอาพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าเป็นผู้รังติดโลกเป็นผู้สร้างดวงวิญญาณแต่พุกเราเพ่งโมทุกนี่มาแต่อวิชาเพ่งไปทางปฏิจจสมุปบาทเมื่ออวิชาดับทุกประดับ เพราะฉะนั้นพองค์จึงสรุปสาระสําคัญในพุทธศาสนาบอกว่าดูก่อนวิถุทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันสิ่งเดียวติชะคุดสอนต่อพูดเธอคือทุกข์ไรความดับทุกข์เท่านั้นนี่เป็นคําสรุปสาระสําคัญในพุทธศาสนาซึ่งแสดงเรื่องทุกข์ไรความดับทุกข์คำนี้เป็นคำํำ ย, ย่อๆนะแต่รวมรติดจะสมุปบาทรวมอริยสัจสีอยู่ในนั้นหมดหรือถ้ายังพูดอย่งอ า, า, างพระอัจฉิก็เยธรรมาให้ตุปภาวานี่แหละรวมอยู่ในคําว่าทุกข์ไรความดับทุกข์ อนเป็นหัวใจในพุทธศาสนาแต่แล้วแต่ใครจะไปพลิกแพลงพูดในโอหานต่างๆกันแต่สรุปแล้วก็อยู่ในคําของคํานี้ทุกประการกับทุกนี่เป็นสาระในในพุทธศาสนาของเราอาถ้าหาพวกว่ามีคนเขาตั้งกับตัววติถามบอกว่าในพุทธศาสนาสอนเรามีพระเจ้าผู้สั่งไหมเราก็าไม่มีเ้าตั้งปัญหาถามบอกว่าถ้าลูกไป ม, มีพระเจ้าผู้สั่งแล้ว บ้านที่ท่านอยู่น่ะมันเกิดขึ้นเองได้ไหมต้องมีคนสร้างในบ้านแล้วหมอมีสิมีในช่างสร้างเขาจะย้อนบอกว่าโลกนี้ก็เหมือนกันต้องมีผู้สร้างสิไม่มีผู้สร้างจะไปเกิดในโูกได้ยังไงเขาตั้งปัญหาถามอย่างเงี้ยแล้วท่านจะตอบไปยังไงผู้ศรีถือเทวานิยมอ่ะเขาตัาง้งปัญหาอย่างเงี้ยวิธีการตอบของเราชาวพุทธเราก็มีวิธีตอบเราถามบอกว่า แม่ขอบคุณมากที่ท่านนะ่้นิยมในเหตุผล น, น, น, น, น, น, นะลูกเป็นผลพระเจ้าเป็นเหตุแม่เหตุผลดีเถอะเกิดพุทธศาสนาก็ในศาสนานิยมเหตุผลพระเจ้าเป็นผลอไอ้พระเจ้าลูกเป็นผลพระเจ้าเป็น เ, เ, น เ, เนหตุในประการเดียวกันอยากจะย้อนเอาเหตุผลที่ท่านใช้กับใช้กับข้าพเจ้าเนี่ยย้อนถามท่านหน่อยเถอะว่าแล้วพระเจ้าเราใครเป็นผู้สร้างพระเจ้านี่ใครเป็นผู้สร้างเขาไอกโอ้เกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครสร้างแล้วกัน นีท่ท่านกำลังค้านตัวท่านเองนะเมื่กี้ยกยกท่านบอกว่าเหตุต้องมีผลผลมาจากเหตุแต่ในขณะนี้ท่านอ้างเป็นตูกเป็นต่าว่าลูกนี่ต้องเป็นผลจะต้องมาจากเหตุคือผู้สร้างแล้วเวลานี้ท่านกาลังค้านตัวท่านเองแล้วบอกไม่ต้องพระเจ้าตัวึ้นเองเนี่ยเป็นการค้านเหตุผลในตัวท่านเองแล้วถ้าอางวพระเจ้าท่านเกิดขึ้นเองได้ทําไมท่านจะไม่ยอมให้ผู้ขับเจา้าถือว่าลูกนี่เกิดโดยธรรมดาบ้างไม่ได้หนระือ เขาไม่ได้ธรรมดาไม่ได้ธรามดาดูดีๆจะมีบ้านโผว่าไม่ได้ต้องมีช่างไม้ต้องมีช่างปูนเราถามหนูว่าไอ้ช่างไม้ช่างปูนก่อนจะมาสร้างบ้านเนี่ยใครจ้างมันมาใครเรียกมันมาช่างไม้ช่างปูนก็เป็นคนนะต้องมีผู้จ้างมันเงินไม่ออกแต่กระเป๋ามันก็เล ม, มาสร้างให้ฟรีๆน่จะบอกให้แล้วไอ้การี ม, มาสร้างบ้านสร้างอะไรเรีนลุงมันก็ต้องมีสัมภาระในวัตถุ ก, การก่อสร้างเป็นอิฐปูนเหล็กอดินทรายมันต้องมีสิเขาจะเอาอุปกรณ์อะไรมาสร้างโลกเขาจะเอาทันเอาอุปกรณ์อะไรมาสร้างโลก มีอุปกรณ์สร้างมาไหมคนในช่างจะสร้างบ้างก็ต้องมีอุปกรณ์สร้างในเครื่องไม้เครื่องมือในในการสร้างแล้วพรจ้าจะสร้างโลกเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์เหมือนกันอุปกรณ์อันนี้มาจากไหนพอกบรรดาลเองบรรดาลให้มีเองอ้าวแล้วการ น, นี้กำลังพูดถึงเหตุผลท่านเองก็กล่าวเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นตุกเป็นต า, รากกนรเรื่องเวลาที่ท่านกำลังปฏิเสธเหตุผลที่ท่านกล่าวอ้างมาเสียแล้วบอกเกิดเองได้อีกแล้วมีหรือเกิดเองถ้าเกิดเองได้จะมีโลกเกิดเองบ้างไม่ได้ท่านจะยอมให้โลกเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่ได้พระเจ้าก็ไม่ยอมให้พระเจ้าเกิดเองได้ ระวังนถ้าท่า น, นไม่ยอมให้โลกเกิดเองได้เราก็ไม่ยอมให้พระเจา้าเขาเกิดเองได้ไม่ได้สิอสเออเสมอกันสิทีเวลาจะมาเล่นงาน<ม>พุทธศาสนารู้จักเอาเหตุผลมายกมาอ่านแล้วตัวเองมันจะเอาเหตุผลในข้อเดียวกันน่ะมาถามตัวเองหรอกพอถึงไปพุทธย้อนถามเขาบ้างบอกว่าเกิดเองเกิดขึ้นเองแ ล, แล้ ว, วลพุทธกบบ็บอกว่าโลกเกิดเองแต่บอไม่ยอมเนี่นี่เราก็เราบอกให้วินยูชพิจารณาดูเถอะว่าใครจะเป็นคนนิยมเหตุผลกันแน่ถ้าพิจารณาดู คราวนี้ที่ต่างว่ า, ล า, า, ลาลลโลกมีพระเจ้าจริงเอาละเรายอมรับล่ะโลกมีพระเจ้าจริงสมมุตินะว่าโลกมีพระเจ้าฝั่งจริงอยากจะทราบว่าพระเจ้าองค์ไหนเป็นผู้สร้างเพราะศาสนาต่างๆในโลกเนี่ยมีมากมายที่มีพระเจ้าของจิงก็มีแง็กเสียงห้องเต้ีเป็นผูน้สร้างโลกของคลิปก็มียะโฮวาเป็นผู้สร้างโลกของอียิปต์ก็มีราทพระเจ้าราบังตูดิเทเป็นผู้สร้างโลก ศาสนาชินโตของญี่ปุ่นสุริยเทพไม่ใช่ผู้ชาเป็นผู้หญิงชื่ออมะเตระสุนางเทพีสุริยะเป็นผู้สร้างโลกศาสนาความก็มีอิสุนอะไราภูมิเป็นผู้สร้างแล้วมีน้ำซ้ำ พ, พระเจ้าสามองค์นี้อยทะเลาะ ก, กันแย่งตำแหนผู้ ส, สร้างกันเองส า, ามองเองพระเจ้าสามองค์ยังขัดคอกันอยู่เลยใครเป็นผู้สร้างแม่ยังไม่รู้เลยความที่จะถือพนารายเป็นใหญ่ไวยนุกนิกายก็บอกว่านารายได้สร้างพระภูมิก็สร้งางให้อิสวนอ พระพรหมเกิดจากนาภีพระพนาลายัยเวลามันพรมกระสินสมุทรอยู่บนพญานาคราชอมั น, ญญ น, าาา น, นตะนาคราชในกระแสถิงนสากรเข้าทานไปเกิดดอกบัวโคมาจากน า, นาภีพระพาลัยแล้วดอกบัวบานน้เป็นพระพรหมเกิดด้ดอกบัวพระพรหมมีทหราเป็นลูกพาลายัยพามผู้ไวส้สมุกกายถออย่างนั้นตอนนี้ไปฟังพวกพระรามถือพระพรหมบ้างสิโอ้นารายุงแกกันอีสวนน่ะพระหมุูเป็นคนสร้างละไม่ใช่ไม่ใช่ใครหรอกสมุส ไปตาวาท่าพูดสิว่าใส่ว่านี่กายสิพวนี้บอกไม่จริงนาลายเป็นขี้ขาไปอิสุนถูขี้ขาวปั้เป็นนาลายออกมาได้หล่าเพระผมก็เหมือนกันเพระอิสุนมันเห็นตะบะพระผมโผล่ขึ้นมาในกองไฟอิสุนบรรดาใด้เกิดเพราะฉะอิสุนเป็ผู้สักาิศาสนาพ ร, รมามศาสนาเดียวแท้แทพระเจ้าสามองค์ย่างตำแหน่งกันจะเป็นแชมป์ปีนสร้างโลกแล้วเออแล้วใครเป็นพระเจ้าสีแท้ที่เป็นคนสั่งโลกศาสนาพวกคุณป่าอินเดียแดงนัทชือจอรเท้ยเขาบอกเจอรเคเป็นคนสั่งโลกอินเดียแดง ในอเมริกาใตา้นักถือจระเข้ในรูปในน้ำอเมซอนบอกว่าอาจระเข้เป็นผู้สร้างโลกนะศาสนาเขาบอกคนตาในแอฟริกาบางเหล่านักถือลิงกริลลาเป็นผู้สรางเข้าทีหน่อลิกริลลานี่มันเหมือนคนเราะว่าตอริลลาเป็นผู้สร้างงงเออแล้วไปนับไปมูใ้ผู้ศาสนาที่มีพระเจ้ า, าส่างองค์ั้หลายนะ่ะเป็นร้อยๆยศาสนาพระเจ้าอุ้มหมากันพอคุ้นเป็นผู้สร้างอยากจะรู้นักเชียวพวกศาสนา ก, ก็อ้างว่าพระเจ้ า, าของข่านี่แหละแท้ของอื่นเก้ใครเป็นคนพูด สาวกในศาสนาพูดเราข้ามเดียวคนอื่เขาไม่รับรู้ด้วยแล้วอย่างนี้จะฟังเป็นเหตุผลได้ไหมหรือว่าจะต้องให้พระเจ้าเหล่านี้มาแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนสร้าโลกตัดสินในขาไปแลใครเป็นคนสร้างอ้าว ว, าาาาาว่ามากมา้นี่ไม่ใช่ว่าศาสนาต่างๆในโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันหมดเม่อไหรล่ะเรียกชื่อกันต่างๆแล้วสั่งศาสนาสั่งเขามายอมรับฐานะเขาไมจใจองค์หนึ่งว่าเป็นพระเจ้าจริงคัดค้านเอาพระเจ้าคนอื่นน่ะเก๊ของตัวมัจริง มือเป็นเช่นนี้แล้วจะฟังความใครแน่ว่าใครเป็นผู้สร้างทะเลาะกัได้เลตำแหน่งชิงแชมป์เปี้ยนสัางโลกสร้างโลกิงแชมเปี้ยนกันทักเขาว่าว่าโอ้ที่เจ้าจองค์เดียวกันรอแต่บูชาในนามต่างๆกันเพราะองค์แบ่งภาคอาวาตารมาเป็นเงนียเสียงห้องเต้บงังแบ่งภาอาอวาตารเป็นยะาโูวาบาั่งแบ่งภาอาอวาตารเป็นลิงกอลิลลาบาั่งอะไรต่างๆทเขาว่าน้นนะเราก็ถามเขาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นดิงใ้ เราก็ไม่ต้องเปลนศาสนาสิท่นแล้วท่านจะไปมัวเผยแผ่ศานา้คนปลนศาสนามันักถือศาสนาท่านทไมล่ะก็กองก็นักระเจ้าต่างๆสี่ก็พระเจ้าต่างๆไปองเดียวกันแล้วนี่นะก็ไม่ต้องไปเผยแผ่ให้มานัถือศาสนาท่านสิขอให้กข้าไหวให้เจ็กไหวให้เียงห้องเตะไปเออให้ให้พวกฮินดูเขาไหวพระโมันลายระศิวไปให้พวกฝรั่งเขาไหวยโฮวาไปให้พวกคุต่าในแอฟริกาไหวลิงคอลิล่าไปให้พวกอินเดียแดงในอเมริกาใต้เขาไหวเยะเทเป็นพระเจ้าไปท่านก็ไม่ต้องไป เผยแผ่ศาสนาไปล้างสมองเข้าไปต้องเอยูกยาเสือผ่าไปแจกเข้าทํามันต้ถือศาสนาทา น, ทา น, นปุยการก็เป็นพระ จ, <S <S จะา อ, องค์เดียวกันหมดแล้วนี่นะพระเจ้าแบง่งท่ปคนต่างๆนี่เป็นจ้ระเข้าบังเป็นง น, น ง, งเงี้เสียงห้องเตะบังแล้วท่านจะมาลืงทุนลงอนมาเผยแผ่ศาสน า, านไปให้เข้ามาเข้ารีบมาถือศาสนาทานทําไมเล่า <S <S ย้อนถามก่าอย่างนั้นดูซิว่าจะตอบปีไม้ไหนมีถ่าอาอกออกออกจะจะตอบปีไม้ไหนเราเราต้องตอบเราจะตั้งปัญหาย้อนถามอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้น พุทธศาสนานี่รอบตัวไม่ต้องไปเป็นพาชีบ้านน้ำลายเคาะทิ้งตาแหน่งข้าเจ้าหรอกคราไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขอ้อดีพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าศาสนาเรานีขายเป็นคนสร้างโลกนะประั ว, ว่าอาวิชชาสร้งางอวิชชาก็อยู่ในตัวเรานี่แหละอวิชชาเขาอกิดมาจากในตัวเรานี่แหละภายในตัวเราเลงสร้างโลกเพราะได้ผมได้เรียนในศาสตร์แล้วว่าโลกกระทัดในพุทธศาสนาไม่ได้เพ่งไปข้างนอกนะโลก ที่พระเจ้าตรัสถึงสมุทฐานนะ่ะสมุทฐานของโลกนะ่ะอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นโลกโลกหนึ่งจึงได้ลรัสกโลหิตตัะเทวบุตรในฟังยุตมีกายบอกว่าดูกรเทวบุตรตถาคตไม่บัญญัติว่าการถึงที่สุดของโลกนี้จะไปได้ด้วยการไปด้วยเดินท่าหรือด้วยหอ่อขนเดินอากาศจะตามทีเไปไม่ได้แต่ตถาคตบัญญตัติคำว่าโลกในอริยวินัยเนี้่ะหมายถึงร่างกายที่ยาววานาคือนี่แหละอันประกอบด้วยสัญญาแะ่ใจนี่แหละ ว่าเป็นโลกเหตุเกิดของโลกความดับของโลกและการที่จะเดินทางไปสู่ความดับของโลกอยู่ที่นี่นั่นคือหลักอริยสัต์ในร่างกายเราไม่ชีวิตเราหรือปฏิจจสมุปบาทในตัวเราการที่ไปเพ่งโลกข้างนอกว่าไอ้โลกวัตถุนี่มาจากโอกาสโลกนี่มาจากใครใครเป็นคนกลุนะ่น่ะตามพุทธวิสัยถือว่าบวยการเปล่าพ ร, ระองค์จึงได้ตรัสในภาษาโลกในบ า, ป, า, าปประดู่ลายกํามไวประดู่ในกรรมฐาน แล้วถามบรรดาพิสูจสงหว่ะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายใบกระดูในมือตถาคตกับใบกระดูในป่าเนี่ยใครจะมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ปูนบอกว่าใบกระดูในป่ามากกว่าพระเจ้าค่าจัดว่าชันใดก็ฉันนั้นน่ะพิสูจทั้งหลายสิ่งที่ตถาคตไม่ได้นำมาสอนเธอเน่ะมีมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่ตถาคตมาสอนสอนเธอเน่ะมีจํานวนน้อยข้อนี้เพราะเหตุเป็นไนก็เพราะว่าสิ่งที่ตถาคตใยมาสอนกับพวกเธอ สิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นเบื้องต้นของโสรรมจันทรย์ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อความสํารอกออกจากกิเลสไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวีราคะเพื่อนิโรธะเพื่อนิพานะแต่สิ่งนี้จะพาคนนํามาสอนเธอเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อเบื้องต้นของโสมจันทรย์เป็นไปเพื่อสารอกกิเลสเป็นไปเพื่อนิพิทาวีราคะนิโรธานิพานะถึงจะสอนสิ่งนั้นคืออริยสัจสิ่งอย่างนี้ ไม่ใช่พระอไม่รู้ว่าโูกนี้มาโอกาะโลกนี้มาแต่ไหนไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ต่วยการกล่าวเอามาสอนนึ่ประโยชน์สมมุติเลยโลกว่าโลกนี้ใครสร้างกิเลสลราหมดไปไหมหมดไหมเอาล่ะถือว่ารู้ว่าไอโอการะโลกนี่ใครเป็นคนสร้างโลกถ้ารู้แลกกิเลสหมดปัญหาหลุดก็ควรจะควรอยู่หรอกควรจะรู้พระองค์เห็นว่ารู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์รู้แล้วก็รู้ตายเขาว่าตาแล้วก็มองไม่เห็นอเออไม่ได้เกิด จ, กจาก ย, ายาถาภูติญาณทัศนะฟังตามๆเข้านี่ ฟังกูสิมาพูดเดี๋ยวเราว่าหลวนี่คนคนั้นก็เออรับรู้ไว้ทำ น, นี้เองอ่ะแล้วได้ไประโยชน์อะไรขึ้นมาหลักการในพุทธศาสนาหนาต้องต้องกันยาลัทธิศาสนาที่เกิดกับตัวเองจะได้ไม่เป็นอั ป, ปราคาประสาจัยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นความเชื่อเป็นยาลัทธิศาสนาอันเป็นไปเป็นปัดจัดตังให้เกิดกับตัวเองเป็นสําคัญนี่อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดประเด็นปัญหาข้างนอกเนี้ยเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่า ชีวิตคนสั้นเกินไปที่จะมาไขคว้าศึกษา้เรื่องโอกาสโลกที่ศึกษาไม่รู้จบเราจะปล่อยชีวิตนี้น่ะให้มันเป็นเหมือนในการศึกษาเรื่องโอกาสโลกไปรู้จบทําไมถูกมาศึกษาโลกที่เรามีอยู่แล้วไม่ดีกว่าหรือโลกภายในคนเรานี่เป็นโลกโลกหนึ่งไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นหลักการในพุทธศาสนาจริงเพ่งภายในไม่เพ่งภายนอกอันเนี้ยพระองค์ได้ตรัสอุปมาว่าเหมือนกับคนเจ็บถูกสอนเข้ามาต้องลูกสอน มาให้ในแพทย์รักษากอนที่นายแพทยจะถอนสอนออกนะ่ะคนเจ็บบอกกับนายแพทก์บอว่าหมออย่าเพิ่งรักษาฉันอย่าเพิ่งถอนสอนออกจากตัวฉันฉันอยากจะรู้ว่าคนยิงฉันนี่ยเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเต่าเล่าใครตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนนี่หมอไปช่วยสืบไปจะดูรู้ทีเถอะแล้วฉันมันจะให้รักษาหมอคนไหนถ้ารับไปสึบมาให้รู้นะหมอคนนั้นก็โง่ คนไข่ต้องตายเปล่ากว่าจะเอาคําตอบพวกนี้คนไขยตายไปแล้วพิสูจน์สอนคําตาบตายซะก่อนแล้วไม่มีประโยชน์พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนในแทยคนนั้นพระองค์ไม่มีหน้าที่จะมาตอบว่าโอกาสสรุปนี่ใครเป็นสร้างวิญญาณชั้นต้นต่อปฐมมนุษยคนแรกคือใครชื่ออะไรลูกเต่าลาใครไม่ใช่หน้าที่หน้าที่จะมีแต่หน้าที่ศาลหน้าที่ตารวจก็ไปสืบไม่ใช่หน้าที่หน้าที่พระองค์เป็นแพทยมารักษาโลกโลกคือโลกกิเลสโลกทุกถอนทุกถอนกิเลสให้ วางยาคือทำ ม, มูสดใหเนี่ไม่ใชนาที่ไปสืบ้าเราลุ่งไอ้ของพวกนี้สืบ้าเรลาลุ่มาแก้ก็ตายเปล่ารูกแล้วมีประโยชนอะไรในเมื่อชีวิตแกก็ต้องมาตายอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพระองค์เป็นแพทย์ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ศาลจะได้ไปเที่ยวสืบสาหาคนร้ายว่าเป็นลูกเจ้าเหลาใครบ้านอยู่ที่ไหนมาตอบปัญหากับคนไข้เหล่านั้นพระองค์จึงตรัดบอกว่าการที่เรามาคิดฟุงสร้านนี่มีโอกาสรุกว่าใครเป็นคนสร้างเอ่ยชีวิตดวงแรกเนี่ย พ่อแม่เป็นใครเป็นปัญหาอะจินไตโรคอะจินดาอะจินไตนมีสี่คือปัญหาที่ไม่ควรจะคิดคิดแล้วมีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าคนบอต่อจากจนั้นนะคือฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านเป็นคนบ้าคนบอหาไอ้ทางที่จะอันติมักไม่ได้คือหนึ่งพุทธวิสัยสองกรรมวิบาศน์สามชาญวิสัยสี่โรคอะจินดาสี่ประการด้วยกันนี่พุทธวิสัยน่ะคือว่าวิสยัยพุทธเจ้าน่ะคนภูมิท่านสาวกข้าประมาณพระองค์ไม่ถูก ต้อพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันถึงจะยังยังกันถึงคนชั้นอรหันต์หรือชั้นปัเจกับพระพุทธเจ้ายังยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นบุคคลป่วยการกล่าวที่จะมาคิดคาดคะเนต่างๆว่าพระพุทธเจ้าทําไมท่านทาได้อย่างนั้นทําไมท่านทําได้อย่างนี้ป่วยการนะอันนี้เป็นพุทธวิสัยสองกรรมวิบาววิบาวของต่ำเนี่ยละเอียดที่ตานเป็นลูกโตกันที่เราเห็นคนทําชั่วแต่ได้ดีแตดีในชาตินี้่แล้วคนนึกว่า ทำดีไม่ได้ผลทําชั่วไม่ได้ผลน่ะเป็นการคาดคะเนผิดเพราะเราไม่มียาลักษณะไปติดตามในอดีตว่าคนคนนี้นะ่ะไอ้ขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเขากําลังสวยผลกรรมในขณะใดาในปางไหนอยู่เพราะฉะนั้นการคาดคะเนวิบากของกรรำน่ะก็ป่วยการไปเปล่าฌานและวิสัยก็เหมือนกันคนที่ได้ฌานย่อมีภูมิของจิตมีอภินิหารทางจิตตอนนี้พิสดานแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ฌาน เช่นทำอภินยาต่างๆได้ถ้าเราไปเอาเอาภูมิของคนที่ไม่เดยชาญไปอย่างท่านก็ป่วยการป่าโลกกินดาคือปัญหาเรื่องโอกาสสรกปหมุนเวียนมาแต่ไหนใครเป็นปฐมมาเหตุอันนี้ก็เขา้าลักษณะเป็นอจินไต่สี่ประการด้วยกันคือปัญหาที่ไม่ควรจะคิดคิดแล้วก็มีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าคือไม้ความบ้าคิดแล้วใจคอมันุ้งฟาดฟุ้ๆุ้า เนี่ยัญานึ่งพเจ้าสร้างโลกเนี่ยถ้าสมมติรเราเชื่อแม่ว่าเจ้าสร้างโลกเราก็อดสงสัไม่ได้วะ่ะแล้วพระเจ้าต่างหน้าอื่นล่ะเขาไ ม, เาไม่เขาไม่มีส่วนจะสร้างโลกหรืออ่เรามีแต่จริงพร ะ, พระเจ้าของศาสนาเราศาสนาเองหรือจริงขาสนาเองกจ๊หรือไอ้จริงเราเราว่าเอาขั้นเดียวกันละเขาก็ว่าเขาจริงเราก็ว่าเราจริงแล้วใครลราเป็นคนสร้งเออนเนี่ยพระเจ้างไหนเเป็นคนสร้างมมะยิ่งคิดจริงฟุ้เลยล่ะยิ่งคิดจริงฟุ้งเลยล่ะ แล้วคิดไปคิดไปยังไม่บอกเองแล้วพระเจ้ามันใครมันมีแล้วก็มัมีพ่อแม่พราเจ้าก็ามีพ่อแม่สิพราเจ้าเกิดเองดืกอดันๆเอ๊ะเกิดเองเราเทำามเราว่าเราเกิดเองบ้างไม่ได้หรอโลกเกิดเองก็ได้นี่นะทำไมเขาไม่ยอมล่ะแน่คิดอย่างนี้ค่ายๆเราตั้งปัญหาบอกว่ามนาวบ้านของฉัดของฉันทัานั้นเองหรือที่ที่เปลียวบ้านอื่นแต่หวานอย่างนั้นหรือค่ายๆพราเจ้าของฉันไม่ดิ้งพราเจ้าอื่นก่อ้อนันตาบ้าแก้หวานบ้างก็่นเขมนะคือพูดอย่างนี้่เออดี น้ำตาลบ้านอื่นเขาเค็มเขาเข า, เขาเป็นพระจ้าเหมือกันอีนนกแกไม่ยอมรับเขาเนี่ยก็ปี๋มึงจะพูดหรืว่าน้ำตาลบ้านอื่นเค็มหมดจา้าน้ำตาลบ้านฉันน่นเองที่หวานหรือปี๋ก็ร้านสินค้าขายสินค้าข่นราคากันเร้านอื่นน่ะสินค้าเจ๊ของฉันน่ะเมดอินอเมริกาของแท้อยู่ที่นี่โฮมแบบเนี่ยมันมิกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อไปหรอกหรือค่านนี้ควยนั่นศาสนาประเทที่มีผู้สร้างโลกเนี่ยจึงไม่ทนต่อการที่บินยูชนจะเพ่งคิดสุตโดยหลักการ โดยหลักการพวกศาสนาเรารกตัววิทยาศาสตร์เจริญมนเพียงไหนก็ไม่กระทุ้บกระั่งในหลักการอันนี้วิทยาศาสตร์เจริญน่ะโอ้ในยุโรปสมัยกลางนะเอาพวกนักวิทยาศาสตร์ไปเผาตาท่านเป็นรู้จักจกี่รอ้อยกี่พันนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปอะไปคุ้นคบความจริงว่าโลกกลมบ้างโลกเป็นะเศษ ด, ดาวมาจากดวงอาทิตย์บ้างอโลกเป็นหมอกเรืองมาก่อนบ้างพวกศาสนาจากในยุโรปเขาไม่ยอมเขาบอกคัดค้นานคำภีรของเขาถึงกับ ตั้งเป็นาาศาลศาสนาขึ้นเนี่ยมีพวกนักบวชในาศาสนาสว่างเขาเป็นผู้วิชากาแล้วก็จับพวกนักวิทยาศาสตร์พวกเนี้อ่ะให้จับพิดผิดนะถ้าแกปฏิเสธพระเจ้าฝุ่เป็นผู้สร้างโลกบอกว่าโลกนี้เป็นหลอกเคิงมาจากดวงอาทิตย์แล้วต่อบ้องฆ่าฆ่าคนตายตั้งร้อยรพันพันฆ่าพวกนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้รักความจริงเนี่ยเอายอมอชีวิตตื่นเดิมพันคือจะรักษาต่อสู้กัวามจริงอันนี้ถูก ถูกตาหน้าว่าเป็นกระบิบ้างเป็นพ่อมดหมอผีจะมาปฏิวัติศาสนาบ้างแล้วก็เอาตัวไปเผาไฟตายทั้งเป็นศาลศาสนาอย่างนี้เ็ได้ว่าอินอิสปิชั่นอินสปิชั่นศาสนาที่ชําระคนที่มีความคิดเห็นคัดค้ามในคำพีอ่ะลักษณะอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราไม่มีเลยไม่เป็นร่วงเป็นแมงยอย่างนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะศา ส, าสานาเราเป็นสัจจะเราไม่ต้องกลัวใครมาขัดข้าหรือกลัวใครใครจะมาสงสัย ยิงคนที่นับถือพุทธศาสนานับถือโดยการคัดค้านนับถือโดยการสงสัยนะให้มันคัดค้านจริงสงสายจริงเถอะแล้วให้มาศึกษานะไม่ใช่มาคัดค้านประนามแล้วก็ปูก็ไม่ศึกษาไม่มาฟังไม่มาคุา้นควาเราท้าได้เลยไม่ค้าแกต้องเรื่อมสายถ้าแกมาศึกษาพุทธศาสาศานาด้วยความตั้งใจจริงให้อ่านพระไตรปิฎกเพียงแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเถอะแล้วเอามาคัดค้านเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดมีตัวอย่างในประเทศจีน เมื่อพุทธศาสนาแพร่หลายเข้าไปในเมืองจีนน่ะพวกมันถือศาสนาของชื้อฝึ่กมีศาสนาดั้งเดิมของจีนน่ะเป็นเดือดเป็นร้อนคัดค้านพุทธศาสนาต่างๆนะั่นนะก็พอดีมีมีอุปราชจีนคนหนึ่งเป็นตัวตั้งกูฏีคัดค้านพุทธศาสนาแต่ภรรยาของท่านอุปราชเนี่ยเป็นชาวพุทธบอกข้าสามีบอกว่าเดี๋ยวก่อนการที่ท่านจะโจมตีศาสนาใดศ า, าสนาหนึ่งว่าไม่จริงน่ะท่านต้องศึกษาหลักการเขาก่อนสิ ท่านจะโจมตีเขา้าโดยไม่รู้จุดอ่อนเขาได้ยังไงต้องเป็นคนควาจุดอ่อนเขาคนควาหลักใจจะเป็นดีขึงไม้ขึงมือข้ออ่างสาหรับโจมตีไงหล่ะคือคุณนายน่ะรู้ดีกระใจเองเพราะว่าหลักธรรมพุทธศาสนานี้ไม่กลัวต่อการพิสูจน์ใครยิ่งศึกษามาจะยิ่งติดมากยิ่งชอบใจมากฉันท่าจะต้องเกิดเพราะฉะนั้นก็พาผัวเพราะว่าก่อนจะโจมตีต้องศึกษาก่อนถึงจะรู้จุดอ่อนของทุตเออจริงแฮะเมียเราพูดจริงโว่างี้ยเริ่มตื่นขึ้นกาไปมีดอกไม้มอีกเดีวยวนะ อานผู้จะจับผิดเอาเอามาเอาไป็ขอโจมตีอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันหลายเดือนดีนเดียเพราะอ่านจบเมียบอก ถ, ถึงเวลาแต่งมื้อโจมตีคู่ศาสนาแล้วหรือยังอุปราชบอกว่าไม่โจมตีแล้วจะเข้าวัดเป็นชาวพุทธแล้วหว่า ง, งั้นเมียว่าเ ท, ทาไมล่ะเพราะว่าการอ่านแต่ไปดูทุกหน้าทุกใบไปไอ้ความลืมสายความเข้าใจของแท้พุทธศาสนาก็เป็นเงาเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นตามตัวเป็นลาดับมาวันนี้ฉันเป็นชาวพุทธร้อเปอร์เซ็น์เหมือนอย่างเธอแล้ว ฉันต้ขออภัยด้วยที่ว่าเคยเข้าใจพุทธศาสนาผิดๆพลาดก่อนเพราะเหตุที่ว่าไม่เคยเรียนรู้หลักพุทธศาสนาเลยเห็นพุทธศาสนาแต่รืมวัดว่าพิธีกรรมแล้วก็โจมตีต่างๆพิธีผูกๆว่างั้นเพราะฉะนั้นจริงเป็นคําทังเพยในในประเทศจีนสมัยโบราณบอกว่าคนที่จะจูงตีพุทธศาสนาถ้ามัวไม่อ่านคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้วจะกลับผูกพุทธศาสนาจูงตีกลายเป็นลูกศิษย์พุทธิย่าไปเว่างั้น อันนี้เป็นข้อเป็นความจริงใครหลาคนที่มาโดนตีพุทธศาสนาโดยมากเป็นคนที่ปิดทูปิดตาตัวเองถ้าเรายื่นคํานี้อ่านเาขาก็ไม่อ่านเขาจะโจมตีหลามไปดูที่เขาไม่ยอมศึกษา อ, อย่างนี้อันนี้เราเป็นจุดเด่นในพุ้ธศาสนาของเรานะครับในข้อนี้อสําหรับปัญหาในวันนี้ก็เห็นจะได้เวลาชั่วโมงพอดีก็ขอยุติเกียงคำนี้คาพัญญาในวันนี้นะครับต่อไปนี้ก็ท่านทีน่มีปัญหาเห็นมาถาม ปนปายแล้วขันห้าดับหมดใช่ไหมถ้าเช่นนั้นผู้ที่ไปเกิดเอาอะไรไปเกิดเพราะวิญญาณก็รวมอยู่ในขันหน้านี้ด้วยอ่าปัญหาข้อนี้ฉัจะลืมสิครับว่าขันหน้าก็เป็นสันตินี่ครับเพรติสุที่วิญญาณ่ถูกแกล้งรวมวินิจวิญญาณในขันแต่เมื่อวิญญาณในขันจะดับายก่อนที่มันจะดับน่ะมันได้ส่งพลังงานไปในขณะที่สองให้เกิดวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นพลังงานทํานองพ่ส่งให้ลูกลูกส่งให้หลานเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์สืบต่อกัน พระนั้นดวงเก่าดับก็ดับไปสิแต่ตอนมันจะดับน่ะมันมันสูงขนขนของแรงงานไปไหวกระเดืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ดวงใหม่เกิดขึ้นตอนใช้ดวงเก่าเป็นมรรทฐานเนี่ยคล้ายๆไฟเปล่งไฟเราจุดเทียนมาเล่นหนึ่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเอาเทียนอีกเลมหนึ่งมาต่อไปจากเทียนเราไปเป็นที่เป็นไฟคนละเล่มแต่ไอ้ไฟเล่มใหม่นั่นก็มาจากไฟเล่มเก่าเป็นเชื้อขันใดบิญญาณิขันดวงเก่าที่ดับไปก็เป็นเชื้อให้เกิดบิญญาณิขันในพบใหม่ เพราะฉะนั้นในขออนี้ก็เป็นเรื่องขอตตินะครับข้ อ, อนี้ตรรนติพระพุทธเจ้ากลัาว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตลอดไปจนถึงวิญญาณก็เมื่อคนมีกิเลสตายไปแล้วเอาอะไรไปเกิดไอ้คําว่าไม่มีตัวตนในที่นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์เปล่านะไม่ใช่ไม่มีอะไรนะครับคาว่าไม่มีตัวตนในที่นี้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําว่า น, นักติกา ฉันไิการเป็นคำปฏิเสธเด็ดขาดก็ว่ า, ว า, วางหนึ่งถุนยากาศเนี่ยไม่มีอะไรโง่โง่โไม่ใช่ยังงั้นอ น, นัตตานปลแปยนแต่เพียงว่าไม่มีอัตตาที่เที่ยงแท้เท่านั้นเองอัตตามีอยู่แต่ไอ้ความมีอยู่ของอัตตานี่ยไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงเข้าใจไหมครับไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงคล้ายฟองนา้าฟองน้ามีไหมฟองน้า ม, มีอยู่แต่ว่าฟองนั้นมันมีอยู่ประเดี๋ยวก็ดับใช่ไหมไม่เที่ยงมีอยู่ยังไม่เที่ยง เพราฉนั้นจึงให้คำว่าอนัตตาไม่ได้ใช้คำว่านัที่ตาไม่ไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยตปล่าเรล่าลูนึงวงๆเป็นสุญญากาศไม่ใช่ใช้คําว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาสภาว่าทําอันนั้นอัตตาแปลว่ายืนหยัดคงที่เป็นหนึ่งแต่อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ยืนหยัดไม่คงที่และไม่เป็นหนึ่งแต่มีอยู่มีอยู่มีอยู่อย่างไม่คงที่มีอยู่อย่างไม่เที่ยง มีอยู่อย่างเปลี่ยนแปลงว่ามเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นภาวะมีอยู่มีอยู่เป็นเป็นอนัตตาต่างกันต่างกับนักตานะครับข้อ น, นีอ้พระพุทธเจ้ามีให้เรายินดีในรูปถึงพูดถ้าพธดถถพธรรมเศษน้อยถึงกรับให้ท่านในปรมาตมมีรูปเสียงโพธดถถพธรรมจะไม่ผิดกับคําว่ามีให้ยินดีในรูปเสียงเป็นต้นหรืออข้อ น, นี้ทา่านเข้าใจผิดครับข้อ น, นี้ คือว่าในปรมาจิตหลับถึงเรื่องลูกพรกลิ่นเสียงน่ะเป็นวิธีการแสดงธรรมที่จะให้เราเห็นโทษของลูกระกลิ่นเสียงเหมือนกับหมอหมอเรียนวิชาแพทย์เนี่ยต้องรู้สมุติฐานของโลกต้องเจรนายชื่อโลกออกมาไม่งั้นจะไปรู้จะรักษาจได้ไงไอ้โลกนี้นะไอให้ยผนะ่องนั้นนี่มะเร็งนะี่ไอวานะหมอต้อเรียนรู้ชื่อโลกสิและการที่หมอเรียนรู้ชื่อโรกจะรู้ว่าหมอยินดีในโลกได้ยังไงล่ะไม่ได้ เรียนรู้ชื่อโกคเนี่ยก็เพื่อที่จะไปหาทางบำบัดโรคชั้นใดที่ตรวจดูโรคกินเสียงผู้สภาวะก็ชั้นนั้นต้องเรียนรู้ไอ้สภาวะความจริงอันนี้เป็นทุกขศัพท์นี่ของพวกเนี้ทุกขศัพท์จะต้องกำหนดรู้กําหนดรู้ทุกลูกทุกกินเสียงไม่ใช่สมุทัยนะครับไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่สมุทัยศาสตร์เป็นทุกขศัติ์ทุกขศัพท์ต้องกาหนดรู้เหมือนหมอเรียนรู้ชื่อโรคต่างๆเรียนรู้สภาวะของโรคต่างๆ การที่หมอเรียนรู้สภาวะของโลกต่างๆไม่ได้หมายความว่าหมอ ย, ยินดีในโลกเหล่า น, นั้นตรงนข้ามเลยคือจะหาทางทาลายโลกมากกว่าอ่าสําหรับปัญหาในที่ผมบรรยายในวันนี้มีท่านผู้ใดสงสัยไหมขอให้ถามปัญหาในวันนี้ก่อนมีท่านผู้ใดสงสัยหรือเปล่าไนคนฮะ กิกรรมิที่มีความหมายว่าไม่มีนี้คําสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยทุกอย่างใช่ไหม <S <S ใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัยปฏิเสธบุญกรรมใช่เช่นทั้งที่มีความเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆอีๆอกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมก็ถือเอาว่าไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ถูกแล้ว ไม่มีนิพพานเนีม่มีบุญคุณวิดามารดาคุณพรมณะมนาครามเป็นนติการิธีใชอ่อีกข้อนึงท่านถามบอกว่าตอนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาตู่เมืองไทยคนไทยเรานับถือาศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแพร่นั้นเผยแพร่โดย ว, วิธีไหนคนไทยเราจรึงยอมรับนับถืออย่างไม่เสื่อมคลายอข้อนี้น่ะคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยถเถอะดิฉันโอ้โหมากมายนะครับพอแล้วนะปัญหาจะ ต, ตอบไม่หมดนะครับ คนไทยรับนับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อกษัตร์ไทยพระองค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั้นคือกษัตริย์แห่งอาณาจาักรไอ้ลาลวราวปศาาหกร้อยแปดบราลาปอชื่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมากษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาว เราลาพสอกคอยเสรเวลานั้นไทยยังอยู่ในยุนนานของจีนอยู่เพราะฉะนั้นคนชาติไทยจึงเป็นคนชาติที่นับถือพุทธศาสนามากว่าพันปีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าไอ้ลาวที่คุณหลวงเมา ม, มาอยู่เมืองไทยถ้าก่อนถ้าถามนั่งก่อนหน้าคอครับพอฮะถ้าถามนั่งก่อนหน้าความจริงไอ้การถามปัญหานี่นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ถามมาถามเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากดีกว่าที่เป็นปนัญหาถามจะเป็นประโยชน์มากครับอ่า เป็นการหัดในการอภิตายไปในตัวเพราะว่าเราจะเป็นนักเผยแผ่ต่อไปเราต้องกล้าไมโครโฟนต้องหัดกล้าอภิอตายโตตอบเนี่ยไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ก่อนหน้า ค, <ม>คุณคะนัทถือพุทธามวคุณเปนนักถือศาสนาไหลนักถือศาสนาผีปาผีป่าผีเขาโงเทวนิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทย เ, เมื่อคนตายใหม่ๆ บุดหลานไม่กราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณ น, นั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไอ้จก่ไปหรือไม่ไปไปสิกรรมของคนตายเองมันึงอยู่ที่ปากลมปากของหลูกหลานจะไปบอกว่าแกไปที่ชอบที่ชอบแหละถ้าไอ้แกคนนั้นมันทําชั่วศพมัก็ศพโลกจบเพลสแต่อ่อนวอนจุดปากให้ไปที่ชอบมันก็ไม่ไปไม่ได้แนะน่ครับข้อนี้แล้วแต่กรรม ข้ากัดประชีวิตมีไก่เป็ดหมูปลาเป็นต้นผิดศีลที่อว่าทำปานาติบาตเมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทําอย่างไรเราจริงจะได้ละได้ปัดเหล่านั้นมาเป็นอาหารเราล่าเราก็ไม่ต้องกินสิกินเกเมงสรีรัตน์อย่างพวกแขกกินดูกินแต่ถัว่วกินแต่น้ํามันถัว่วกินกินแต่นมเขาก็ล่ําสันอุน่นท้องคุยทุกคนนี่ตัง้งแต่ดูแขสิท้องคุยนะั้นน่ะผู้หญิงแขกยิ่งท้องคุยอุน่นอุ่นอุ่นอุไม่เชื่อไปดูแขกปรารถนสะพานหันซ้ำเพลงสิแขกพระคุณอุ่นอุ แขร์หอมหาทำยายากแขร์อมถ้าจะมีก็มีในอินเดียเวลานี้กำลังอดอยากกันอยู่นะเห็จะ mm. ตอนนี้เห็จะมีแขร์อมหรอกเพราะปะกติน่ะแขรกินถัวกินถัวนี่แมพมีโปรตีนสูงกินน้ำน ม, มกินเนยโปรตีนสูงนั่นแหละเลยลงทุนอ้วนเสียทรงเสียรูปใหญ่เพราะนั่นอยากตัวเลยถ้าหากวาเลือกข้าวสนมะกูจะไม่มีอาหารกินนี่อาหารผักนี่แหละดีที่สุดอย่ากลัวนะนรอเอ่